ขอนอบน้อมแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคัมภีร์ชินารังการะดีกาแปลพระพุทธรักิีตาจารย์ชาสีลังการัชนาต่อไปจะเป็นการพรนานาพุทธเขตสามคือเขตของพระพุทธเจ้าก็ได้แก่ชาติเขตเขตก็คือ การบังเกิดการเกิดเป็นต้นอันที้สองก็คืออาณาเขตเขตของอำนาจแห่งพระปริศต่างๆอันที่สามก็คือวิสัยเขตเขตก็คืออารมณ์ที่สามารถที่พระพุทธเจ้าจะรู้ได้พระพุทธรัตคตาอาจารย์ครั้นแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงเป็นผู้ที่ผุ้คนพึงบูชาในโลกทั้งสิ้นด้วยการชำระเรื่องอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์จะพันนาพระญาณที่ไม่ทั่วไปและเพราะเมื่อพรนนาแสดงความเป็นไปที่ตั้งและวิสัยแห่งอาสาธารณาญาณนั้นแล้วอาสาธารณญาณก็เป็นอ่านได้รับการพรันนาาด้วยดีฉะนั้นเมื่อจะแสดงวิสัยแห่งญาณจึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณทั้งหลายอันหาที่สุดมิได้ฟุ้งไปแล้วว่าทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตทั้งสามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงทราบโลกนี้และโลกอื่นย่อมทรงทราบสิ่งที่มีเจตนาและสิ่งที่ไม่มีเจตนาคือหาเจตนามิได้ก็ได้แก่พวก ปปาทินน ก, กะและก็อนุปาทินน ก, กะสังขารทั้งหลายย่อมทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในสันดานของพระองค์และที่มีอยู่ในสันดานของสัตว์เหล่าอื่นคือทั้งอัจฉ ต, ตะและยิทธรรมที่ล่วงไปแล้วคือเป็นอดีตที่ยังไม่มาไม่ถึงก็คืออนาคตอันมีอยู่ในบัดนี้คือปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบทั้งหมดสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้ก็ได้แก่อนันต์ อนันต์ก็จะมีสอย่างนะสิ่งที่ไม่มีที่สุดก็ได้แก่สัตว์นิกายเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดมากมายหล่นพ้นอันนี้สองกัจจ ก, กาลก็เป็นอนันต์มากมายอันนี้สามอากาศก็เป็นอนันต์อันนี้สี่พุทธญาณเป็นอนันต์ยิ่งกว่าอนันต์ทั้งปวงจนอจินไตยก็สี่อย่างเหมือนกันก็คือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานได้ริต อันนี้สามกรรมวิปปะแล้ววิปาะหนึ่งกรรมทั้งหลายก็เป็นอาจินไตอันนี้สี่ก็คือโลกอจินตาเรื่องของโลกในคาถานั้นมีการสัมพันธ์รูปประโยคดังนี้พระพุทธเจ้า พ, พระองค์ใดทรงมีพระคุณอันหาที่สุดมิได้ฟงไปว่าทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตทั้งสามพระผู้มีพระภาคเจ้า พ, พระองค์นั้นย่อมทรงทราบโลกนี้และโลกอื่น ซึ่งกายที่มีเจตนาและซึ่งกายที่ไม่มีเจตนาซึ่งสิ่งที่มีในสันดานของพระองค์และซึ่งสิ่งที่มีสันดานในชนเหล่าอื่นของชนเหล่าอื่นที่ล่วงไปแล้วที่ยังไม่มาถึงอันมีอยู่ในบัตรนี้ในคําเหล่านั้นคําว่าติพุทธเขตเตกัดิวากโรทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตทั้งสามคือ ดวงสุรีไม่มีตหายในพุทธเขตทั้งสามที่ชื่อว่าพุทธเขตสามก็คือชาติเขตหนึ่งอาณาเขตหนึ่งวิสัยเขตหนึ่งในเขตทั้งสามนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดมงคลจักรวาลหนึ่งนี้เป็นเรือนประสูตรหนึ่งมือนจักรวาลถัดจากนั้นไปเป็นชาติเขตเป็นเขตก็คือการ กำเนิดของพระพุทธเจ้าหนึ่งแสนโกดจักรวาลเป็นอาณาเขตส่วนจักรวาลอันหาที่สุดมิได้หาประมาณมิได้เป็นวิสัยเขตถามว่าในเรื่องพุทธเขตนี้ใครกล่าวไว้โดยนายเป็นต้นว่าชาติเขตมีประมาณเท่านี้ตอบว่าท่านพูดอะไรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเตีย ใครอื่นจะสามารถกล่าวได้ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในการไรในที่ไหนตอบว่าในการแสดงอนุระขอโทษครับในการแสดงอรุณวตีสูตรในอังคุตรนิกายติกาิบาตในอรุณวตีสูตรนั้นมีเรื่องที่แสดงโดยลำดับดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายครั้นทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วได้ทรงประกาศพระธรรมจักแล้วเสด็จไปโดยลําดับทรงเข้าพักอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันในวันวิสาขะบูรณะมีทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนับจากนี้ไปในที่สุดสามสิบเอ็ดกับมีพระราชาทรงพระนามว่าอนุระวตี พระราชาอนุรวตีนั้นทรงมีนครหลวงชื่ออนุรอรุณวดีอรุณวตีกับอนุรัอรุณวดีก็อันเดียวกันนะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระนามว่าสิกขีทรงประทับอยู่อาศัยเมืองอรุณวตีอรุณวตี พระองค์ทรงมีพระสาวกผู้เลิศสองรูปคือพระอภิภูและพระสัมภะซึ่งเป็นคู่ชั้นดีเลิศพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติขีทรงปรึกษากับพระอภิภูว่าภิกษุมาเถิดผู้เราจะเข้าไปพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลาฉันพัตตาหารพระอภิภูทูลรับสนองพระดารัสแล้ว ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระอภิภูก็ไปปรากฏในพรหมโลกแล้วท้าวมหาพรหมพอเห็นพระผู้มีพระภาคก็กระทําการต้อนรับปูราตอาสนทิพถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าปูราตอาสนะอันศวควรถวายพระเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ท้าวมหาพรหมจัดถวายแล้วแม้พระเถ ร, ระก็นั่งบนอาสนะที่มหาพรหมจัดถว า, Moment, า, า, า, า, าถยแล้วเหมือนกัน ทามหาพรหมอภิวาสพระทศพลแล้วก็นั่งณส่วนข้างหนึ่งลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพระอภิภูวา่าพราหมณ์ทำ ม, มีกถาจงจำแจ้งแก่เธอเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งอย่างนี้แล้วพรหมทั้งหลายพากันตําหนิวา่านานนักหนอพวกเราจึงได้การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายัางพรมโลกเที่ยงสู่นี้ละเลยพระาศาสดาเริ่มแสดงธรรมเสียเอง พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยคือความในใจของพรหมเหล่านั้นได้มีรับสั่งกับพระอภิภูวา่าพรามพรมกับพรมบริษัทธพากันตำหนิเธอถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พวกเขาสดดใจอย่างยิ่งพระเถระรับสนองพระดำรัสแล้วได้กระทาการแสดงฤทธิ์และปาฏิหาริย์หลายอย่างเมื่อจะแสดงธรรมให้โลกธาตุขนาดเล็กหนึ่งพันโลกธาตุได้ยินเสียงได้กล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่า ท่านทั้งหลายจงปราบความเพียรจงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองทัพแห่งมัดจุเหมือนช้างทำลายเรือนไม้อ้อฉนั้นผู้ใดไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะละชาติสงสารการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุรุณวติสูตรโดยนายเป็นต้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลเห็นรูปและได้ยินเสียงของพระเถระพระอนอนเทเถระฟังเรื่องนั้นแล้วคิดว่าเมื่อวันวา น, วานพระศาสดาตรัสว่าพระอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีอยู่ในพรหมโลกแผ่แสงสว่างจากสรีระกำจัดความมืดในหมื่นจักรวาล กล่าวทำมกถาให้มื่นจักรวาลได้ยินเสียงของตนก็วิสัยของพระสาวกยังขนาดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญบารมีสิบประการแล้วบรรลุพระสัพพยุตยานจะทรงแผ่พระรศมีจากพระวรกายแล้วให้ได้ยินเสียงไปถึงสถานที่ขนาดไหนเพื่อจะบรรเทาความสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างนี้จึงทูลถาม เมื awa, ung, o, wa, ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำแล้วได้ตรัสว่าอานนท์พระตถาคตเจ้าทั้งหลายกำหนดประมาณมิได้พระอานนเถระจึงทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงครั้งที่สามได้ทราบว่าพระอนนทเถระนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำใดโดยย่อว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายกำหนดประมาณมิได้ พระอนอนเทเสระคิดว่าเราจะขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลือศรนานเรื่องนั้นโดยพิจารจึงทูลอ้อนวอนถึงสามครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิพระอนอนเทเสระว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุพระสัพพัญญุตะยานแล้วทรงถึงภาวะที่กําหนดประมาณไม่ได้เธอยังจะมากล่าวอะไรเหมือนเอาปลายเล็บหยิบฝุ่นแล้วจะนําเข้าไปเปรียบกับแผ่นดินใหญ่ เหมือนเอางวงช้างตัดน้ำแล้วจะนำเข้าไปเปรียบกับน้ำในแม่น้ำคงคาทรงประสงค์จะขยายเรื่องนั้นตรัสให้พิสดาลทรงเริ่มว่าอานอนท์เธอได้ฟังเรื่องโลกธาตุอย่างเล็กประมาณหนึ่งพันจักรวาลชื่อว่าจุ ร, รณนีโลกธาตุหรือแล้วทรงเริ่มโดยในเป็นต้นว่าที่ชื่อว่าโลกธาตุหนึ่งคือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโครจร สงทิศทั้งหลายให้สว่างอยู่ในที่มีประมาณเท่าใดโลกโดยประมาณหนึ่งพันเท่านั้นเรียกว่าสหัสสีสหสีโลกธาตุนี่ก็เป็นจุรณีโลกธาตุนะโลกธาตุขนาดเล็กในที่นี้ที่ชื่อว่าโลกธาตุหนึ่งคือทวีปใหญ่ทั้งสี่ทวีปมีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารแวดล้อมมีภูเขาจักรวาลเป็นขอบเขตนี้นับเป็นจักรวาลหนึ่ง ในจั ก, กรวาล น, นั้นว่าโดยส่วนยาวและโดยส่วนกว้างคือจั ก, กรวาลว่าโดยส่วนยาวหนึ่งล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบยโดยส่วนกว้างจั ก, กรวาลมีปริมนทฑนลทั้งหมดสามล้านหกแสนหนึ่งมื่นสามร้อยห้าสิบยนี้เป็นปริมาณแห่งจั ก, กรวาลหนึ่ง หนึ่งแสนโกดจักรวาลแม้เห็นปานนี้ย่อมพินาศย่อมตั้งขึ้นและย่อมดำรงอยู่พร้อมๆกับเตโชสังวัตกับเป็นต้นอาณาเขตของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีประมาณเท่านี้อันนี้อาณาเขตนะึ่แสนโกดจักรวาลเนี่ยและที่เตโชสังวัตกับพินาศไปหรือว่าตั้งขึ้นก็ น, นะแต่ก็ประมาณเท่านี้ในคําเหล่า น, านั้นคําว่าจักรวารัง เมื่อควรจะกล่าวว่าจั ก, กาวาตังแต่ก็ได้รับบูหารว่าจักกวารังเพราะจั ก, กรวาลมีอาการดังหลุมอาวาตแปล ว, ว่าหลุมนะจั ก, กะก็คือล้อดุดวงล้อแห่งรถดุดหลุมกลมเสมอกันแปลงตะอักษรตะใหญ่นะ เป็นละอักษรฉะนั้นจึงเรียกว่าจักกะวาตังความจริงแล้วควรจะต้องเป็นจักกาวาตังจักกาวาตังจักกะแปล ว, ว่าล้ออาวาตังก็แปลว่าหลุมเป็นเหมือนกับล้อเหมือนกับหลุมกลมๆท่านกล่าวความหนาแห่งพื้นน้ำและแผ่นดินที่ดํารงอยู่โดยกําหนดเป็นที่ รองรับโลกหรือว่าเป็นสิ่งที่รองรับโลกท่านมิได้กล่าวกำหนดไว้ว่าด้านขวางกลมประมาณเท่านี้ในเวลาที่โลกจะพินาศพร้อมๆกันจะเกิดความพินาศในที่ประมาณเท่าใดพื้นน้ำและแผ่นดินที่จะแผ่ไปในที่ประมาณเท่านั้นแสนโกดจักราวาลตั้งอยู่เหนือผิวน้านั้นดุดเรือดุดถาดและดุดใบไม้ของพวกมนุษย์และสิ่งของเหล่านั้นไม่เกี่ยวเนื่องกัน ถ้าเกี่ยวเนื่องถึงกันก็จะไม่พึงเคลื่อนไหวถามว่าจักรวาลเหล่านั้นตั้งอยู่บนพื้นผิวน้ําได้อย่างไรก็มีข้อความว่าบางทีแสดงว่าเพราะล้อมรอบด้วยภูเขาจักรวาลนะถึงเรียกว่าเป็นจักรวาลเนี่ยจึงเรียกบริเวณนี้ที่ภูเขาจักรวาลล้อมรอบไว้ว่าจักรวาลก็มีภูเขาจักรวาลล้อมรอบก็เลยเรียกว่าเป็นจักรวาล แต่ในที่นี้ก็ก็คงเหมือนกันเพราะว่ามีสันธารดุดล้อกลมก็ถามนะว่าจากักรวาลเหล่านั้นเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นผิวน้ำได้อย่างไรตอบว่าก็แผ่นดินร่วนนี้ก็คือปังสุ ป, ปัทวีเนี่ยนะมิได้ตั้งอยู่เหนือผิวน้ำถ้าจะพึ่งตั้งอยู่ก็จะละลายไหลลงในน้ำส่วนแผ่นดินศิลาเขาเรียกว่าศิลาปัทวีอยู่ข้างใต้แผ่นดินร่วน แผ่นดินศิลานั้นเนื่องติดกันเป็นพืชเดียวจนถึงภูเขาจักรวานถ้าแผ่นดินร่วนและแผ่นดินศิลาเหล่านี้จะมีช่องหรือว่ามีรอยแตกน้ำจากภายนอกก็จะไหลเข้าไปภายในกดให้จักรวานจมลงเพราะภายนอกแผ่นดินรองน้ำไม่มีช่องให้น้าไหลเข้าไปฉะนั้นจักรวานจึงตั้งอยู่เหนือพื้นผิวน้ำดุดเรือแผ่นดินศิลาศิลาป ปทัทพีเนี่ยตั้งอยู่ดุดพื้นภาชนะสามลิตรภูเขาจักรวาลตั้งอยู่ดุดขอป่าภาชนะสามลิตนั้นแผ่นดินร่วนก็คือปังสุ ป, ปทัทวีตั้งอยู่ดุดโภชนะที่วางไว้ในภาชนะนั้นสาครนทั้งสีน่นี้ตั้งอยู่ดุดรถแห่งกับข้าวมากมายที่ใส่ในโภชนะภูเขาศรนรุ่ตั้งอยู่ท่ามกลางทั้งหมด ดุดเสารกระโดงที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเรือของพวกมนุษย์ธรรมดาภูเขาสิเนรุแม้นั้นกลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมจตุรัสถ้าจะมีสันฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสก็จะพึงมียอดสี่ยอดรองรับที่มุมสี่มุมดุดเท้าตัาง้งเพราะมีสันฐานกลมภูเขาสิเนรุจึงตั้งอยู่บนยอดสามยอดดุดภาชนะที่ตั้งอยู่บนเตายอดสามยอดติดเนื่องกับแผ่นดินสีดา ภูเขาสินิรุตตั้งอยู่บนยอดสามยอดยัางลงไปในที่ประมาณสี่พันยอ์เพราะฉะนั้นจึงตั้งอยู่อย่างไม่วันไหวดุดหนีบไว้ด้วยคีมเพราะเหตุนั้นแลในคำพีโลกะปัญญติปกรณ์ท่านจึงกล่าวถึงภูเขาสินิรุตไว้ว่าตั้งอยู่บนพื้นผิวน้ำกินเนื้อที่แปดหมื่นยดที่ตรงกลางยอดสามยอดมีแผ่นดินร่วน มีเมืองของพวกอสูรบนหาดทรายแก้วบนแผ่นดินดร่วนก็ท่าภูเขาเิเนรุกลมเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงภูเขาเิเนรุไว้ในพระบาลีว่าทิ่สุดทั้งหลายขุนเขาเิเนรุยาวแปดหมื่นสี่พันโยธกว้างแปดหมื่นสี่พันโยธคำแม้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อทรงแสดงประมาณส่วนหนาและส่วนขวางแห่งขุนเขาเิเนรุนั้น เหมือนที่ตรัสถึงภูเขาหิมพานต์ไว้ว่ายาวและกว้าง 3,000 โยต์คุณเขาสิเนรุแม้นั้นเป็นสี่เหลี่ยมหรือดังนั้นคําบาลีนั้นจึงไม่แสดงความเป็นสี่เหลี่ยมแม้ท่าจะพึงกล่าวถ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมเหตุไรท่านจึงกล่าวไว้ว่าด้านทิศตะวัอนออกเป็นสีเงินด้านทิศใต้เป็นสีแก้วอินทนิลเป็นต้นก็ตอบว่าท่านมุ่งถึงส่วนแห่งทิศ กล่าวคำนั้นๆถ้าขุนเขาสีเนรุจะพึงเป็นสี่เหลี่ยมดุจเรือนสี่เหลี่ยมก็พึงกล่าวว่าฝาด้านทิศตะวันออกฝาด้านทิศใต้ดังนั้นท่านมุ่งเอาเพียงส่วนแห่งทิศนั้นนั้นแล้วกล่าวว่าด้านทิศตะวันออกด้านทิศใต้เป็นต้นแม้ในคมภี์โลกะปัญญัติปกรท่านก็กล่าวว่าขุนเขาสีเนรุท่านก็กล่าวว่าขาุนเขาสีเนรุกลมเพราะขุนเขาสีเนรุ นั้นกรมแม้ภูเขาในตระกูเจ็ดลูกเป็นต้นนะมีภูเขาสัตตบริพันธ์ก็เรียกว่าภูเขาสัตตบริพันธ์นะก็คือภูเขาที่เป็นบริวารเจ็ดลูกก็ได้แก่อะไรบ้างหนะ น, นึ่งยุคันธร์สองอิสินธร์สามกะรวีกะสี่สุทัศนะห้าเนมินทระหกวินตะกะเจ็ดอาสะกันนะอันนี้เป็นภูเขาเจ็ดลูปที่ตั้งแวดล้อมภูเขาเซเนรุ เรียงรายกันอยู่ก็ตั้งอยู่โดยส่วนกลมเหมือนกันดูดมนทนแห่งร่มในระหว่างภูเขาเหล่านั้นมีทะเลสีทันดอนถ้าภูเขาเหล่านั้นไม่พึงตั้งอยู่โดยส่วนกลมยังลงยังสมุดนั้นๆมหาสมุดทั้งหมดก็จะพึงเป็นมหาสมุดเดียวกันน้ำทั้งหมดเป็นห่วงน้ำไหลไปยังส่วนแห่งทิศเดียวกันในเวลาที่จักรวาลถูกลมพายุใหญ่ที่ภูเขาจักรวาล ภูเขาหิมะพานภูเขาซิเนรุและภูเขายุคอนทอนเป็นต้นพัดกระนําจนวันไหวเกาะทั้งหมดก็จะพึงโน้มเอียงไปตามน้ําดังนั้นภูเขาเหล่านั้นจึงตั้งอยู่ยังลงยังมหาสมุทรแยกแยะ ก, กันดุดมนทนแห่งร่มแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นน้ําก็ยังกระเพื่อมเพราะจักรวาลไหวดังนั้นแหลน้ําจึงเพิ่มขึ้นในที่นี้จนล้นออก พระผู้มีพระภาเจ้าเมื่อจะตรัสข้อความนี้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการไหวแห่งแผ่นดินข้อหนึ่งในแปดข้อในมหาปรินิพพานสูตรได้ตรัสไว้ในพระบาลีว่าในเวลาที่ลมพายุพัดแรงน้ำย่อมกระเพื่อมแม้ในอัตถกถาแห่งมหาปรินิพพานสูตรนั้นท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเพราะวัตถุใหญ่โตความไหวจึงไม่ปรากฏในคราวที่แผ่นดินไหวก็ไหวแม้ในที่ทุกแห่ง ดังนั้นแหละน้ำในที่นี้จึงเพิ่มขึ้นจนล้นออกในดีกาแห่งมหาปริยินทิพย์ในสูตรนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าที่ชื่อว่าลมพายุแรงคือลมพายุที่พัดยกขึ้นลมพายุนั้นเป็นลมพายุแรงภายใต้จากแผ่นดินที่มีลมลมพายุแรงเหล่านั้นพัดลมที่หนุนน้ําเป็นสองส่วนแล้วพัดยกน้ําขึ้นไป ย่อมพัดดกจักรวาลขึ้นเบื้องบนพร้อมกับน้ำนั้นเมื่อลมพัดพัดตกไปน้ำก็ล้นออกไปแผ่นดินรองน้ำย่อมเชื่อมประสานลมที่พัดหนุนดังนั้นน้ำจึงไม่ไหลออกในเรื่องนั้นแผ่นดินศิลาก็คือศิลาปทัทถีและภูเขาจักรวาลตั้งอยู่เป็นอันเดียวกันดุดเรือเพราะมีความหมายว่าเป็นเหตุที่ตั้งอยู่ สถานที่ที่แบ่งเป็นสองส่วนตั้งอยู่ข้างภายใต้เรียกว่าแผ่นดินศิลาหรือว่าศิลาปัตพีและสถานที่ที่ตั้งอยู่สุดรอบเรียกว่าภูเขาจักรวาลในสถานที่เหล่านั้นแผ่นดินศิลาก็คือศิลาปัตตพีเนี่ยหนาหนึ่งแสนสองหมื่นโยธภูเขาจักรวาลก็หนาเท่านั้นแผ่นดินร่วนก็คือตังสุ ป, ปัทวีเนี่ยแล้วก็แผ่นดินศิลา กศิลาปทัทถีก็หนาเท่ากันรวมทั้งสองเข้าด้วยกันท่านกล่าวว่าแผ่นดินนี้หนานับได้ประมาณสองแส0สี่หมื่นโยชน้ำที่รองรับแผ่นดินนั้นหนาประมาณสี่แสนแปดหมื่นโยตตั้งอยู่บนลมลมที่รองรับน้ำนั้นพัดพุ่งขึ้นจดท้องฟ้าสูงเก้าแสหกหมื่นโยชนี้คือความตั้งอยู่แห่งโลก ตามจากนั้นลงมาก็เป็นอากาศที่ไม่มัวสัวก็คืออัจฉริการ์ดนะภูเขาจักรวาลตั้งอยู่บนแผ่นดินฝุ่นก็คือปังสุปธธัทถีในบรรดาสถานที่เหล่านั้นรอบจักรวาลทั้งสิน้นถัดแผ่นดินปุ่นเข้ามาด้านในมีทะเลน้ําเค็มในทะเลน้ําเค็มนั้นมีเกาะใหญ่สี่เกาะมีเกาะเล็กสองพันเกาะต่อแต่นั้นมีภูเขาสัตตะปริพันธ์ ในระหว่าผภูเขาสัตตบริพันธ์เหล่านั้นมีทะเลสีทันดอนคุนเขาสิเนรุตั้งอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นคนละมิติกันก็เลยพวกนักวิทยาศาสตร์มีเครื่องบินมีอะไรไปก็ไปไม่ถึงนะคนละมิติกันต้องมีตาทิพย์ถึงจะเห็นได้ก็ภูเขาสิเนรุนั้นเป็นภูเขาสูงสุดยังลึกลงในห่วงมหานบแปดหมื่นสี่พันย สูงขึ้นไปก็เท่ากันด้านข้างแต่ละข้างยาว 84,000 ยอดยอดสูง 168,000 ยอดข้างทิศปาจีนเป็นสีเงินคือทิศตะวันออกเยนะทางทิศใต้เป็นแก้วอินทนิลทิศตะวันตกเป็นแก้วผลึกทิศเหนือเป็นทองคาเป็นสีทองคำภายใต้ภูเขาเซเนรุมียอดค้ำอยู่สามยอด ท่ามกลางยอดสามยอดมีเมืองอสูรกว้างหนึ่งหมื่นยชดกลางเมืองอสูรนั้นมีต้นจิตตะปาตริสูงหนึ่งร้อยยนดมีต้นกละประพึกแผ่บริเวณกว้างสามร้อยยตดในเมืองอสูรนั้นอสุรินทะเวปจิติครองราชสมบัติอสูรบุรีนั้นประดับด้วยประสาทเ ร, รือนร้อนเรือนยอดเป็นต้นสวนดอกไม้อุทยานวิมานและสาบโบคารณี ทําให้งดงามดํารงอยู่ดุดเมืองของเท้าสักกะด้วยอํานาจของบุญนะความจริงก็อยู่ที่ดาวดึงมาก่อนนะพวกอสูรเหล่านี้แต่ว่าก็ดื่มสุราแล้วก็ต้อนรับเท้าสั ก, กะนะว่าไปเกิดเป็นเทพบุตรเกิดใหม่ส่วนเท้าสั ก, กะนั้นมีบุญมากเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากอยู่ร่วมกับพวกที่กินเหล้าเมายากินเหล้าทิพนะดื่มเหล้าทิพนะก็เลยจับพวกอสูรอัดแนะกันว่าตัวเองยังไม่ดื่มสุราจับพวกอสูรโยนลงมาที่ เชิงขาวสินรุก็ได้เกิดพบของอูรขึ้นใหม่นะภายนอกจากยอดสามยอดบนพื้นผิวแผ่นดินฝุนเต็มไปด้วยสายแก้วพวกนาคอาศัยในที่นั้นในเวลาที่พวกอสูรและพวกนาคไปมาหนทางย่อมปรากฏบนพื้นผิวน้ำด้วยอนุภาพแผงบุญยริ์ของพวกอสูรและพวกนาคนั้นน้ำในที่นั้นลึกแปดหมื่นสี่พันย้านข้างแต่ละข้างก็แปดหมืนสี่พันย ตรงกลางภูเขาสุเมรุก็ประมาณเท่านี้ก็ถัดจากนั้นมีระเบียงภูเขาเซเนรุห้าแห่งพื้นชั้นบนแห่งภูเขามีเมืองเท้าส ก, กะกว้างหนึ่งหมืนโยชนี้เป็นประมาณแห่งภูเขาสซเนรุต่อจากนั้นมีภูเขาทิพย์ทั้งหลายงดงามด้วยรัตนะต่างๆอย่างลึกลงในห่วงมหนพและสูงขึ้นไปเบื้องบนตามลําดับโดยประมาณกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่ง จากประมาณแห่งภูเขาสินเนรุนั้นเจ็ดลูกก็คือภูเขายุกันทร์หนึ่งภูเขาอิสินทร์หนึ่งภูเขากะระวีกะหนึ่งภูเขาสุนทัศนะหนึ่งภูเขาเนมินท ะ, ะหนึ่งภูเขาวินตกะหนึ่งและก็ภูเขาอัสสกันนะเป็นที่เจ็ดเรื่องนี้ท่านกล่าวไว้ในคำภีวิสุทธิมาร์คด้วยและในอัตถกาลนั้นๆอย่างนี้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสไว้เป็นโลกาวิทูนะเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกสามารถที่จะรู้โอกาสสโลกทั้งหลายด้วยส่วนคาำที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทราบทรงเห็นกําลังแสดงเนมิราชชาดกตรัสไว้ตามที่มาตรีเทพบุตรถูกพระเจ้าเนมิราชตรัสถามนั้นพระองค์ทรงเทียบเคียงด้วยพระสัพพันทรงเทียบเคียงด้วยพระพุทธยาน ตรัสแล้วด้วยอํานาจแห่งชาติที่พระองค์อยู่ในกับนี้เองจึงอยู่ในเนมิราชาดกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระมหาราชเสด็จประทับบนทิพยายานเทียมมาสินทบพันตัวสเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาทั้งหลายในระหว่างมหาสมุทรสีธันดรครั้นแล้วจึงได้ตรัสถามมาตรีเทพสารถีว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไร มาตรเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรัดถามอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลว่าขอถวายพระพรภูเขาที่พระองค์ท้าพระเนตรเห็นคือภูเขาสุทธัสนะภูเขากระวีกะภูเขาอิสินทอนภูเขายุขันทรนภูเขาเนมินทอนภูเขาวินตกะภูเขาอาศัศกันนะเหล่านี้อยู่ในมหาสมุทรสีทันดอนสูงขึ้นไปโดยลาดับเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งหลาย พระผู้มีพระภาเจ้าทรงแสดงในมิราชาดกท่ามกลางบริษัทธีแม้พระสังขีติกาจาร์ทั้งหลายก็ได้สังคยนาแล้วอย่างนั้นแลคำพีวิสุทธิมักอัตรกรถาไม่ลงกันไม่สมกันกับบาลีนังที่ว่ามานี้หามีคำถามว่าเมื่อโลกสันฐานทั้งหลายจำนวนมากซึ่งเกิดเพราะเหตุ ท, ที่เล่ากันมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังขัดแย้งกันอย่างนี้ ในพระบาลีและอัตกถาการแสดงปรมาทัยอันสุขุมละเอียดอ่อนยิ่งจักพึงเชื่อได้อย่างไรเรื่องต่าเรื่องของโลกยังขัดกันอย่างนี้แล้วเรื่องปรมาทัยอันละเอียดนี้จะเชื่อได้อย่างไรละข้อนี้จะเป็นเหตุแห่งความไม่เลื่อมใสของคนมากแม้โดยประการทั้งหลายในเรื่องนี้จะขอกล่าวเฉยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นดังที่เล่ากันดังนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่มความตรึกนะอย่าไปเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างนั้น ข้าพเจ้าชื่อว่าพุทธรักิตาจารย์ข้าพเจ้าจะขอกระทําพระบาลีและอัตถกถาให้สมกันตามเป็นจริงนะอย่าไปเข้าใจว่าขัดกันนะอันมจริงแล้วไม่ขัดหรอกคือเมื่อมาตรีเทสรถีพาพระเจ้าเนมิราชไปชมนรกเท้าสกเทวราชทรงดำริว่าเหตุไรมาตรีจึงชักช้าอยู่จึงท่งชวนะเทพบุตรไปตาม ในครั้งนั้นมาตรีเทพสารถีพารถขับเหาะมุ่งตรงไปเทวโลกจากนั้นในเวลาที่มาตรีเทพสารถีนํารถนั้นไปถึงยอดภูเขาสุทัศนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรข้างหน้าและข้างหลังทรงเห็นภูเขาเหล่านั้นตั้งอยู่เป็นลําดับกันจึงตรัสถามมาตรีเทพสารถีว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรภูเขาที่ตั้งอยู่ตรงกลางภูเขาทั้งเจ็ดโลก ชื่อว่าเขาสุทัศนะมาตรีเทพสารถีเมื่อกราบทูลบอกภูเขาที่ตั้งอยู่ข้างหน้าถัดจากภูเขาสุทัศนะจึงกราบทูลย้อนลําดับว่าภูเขาสุทัศนะภูเขากระวีกะภูเขาอิศินทรภูเขายุขันทรเมื่อจะกราบทูลบอกภูเขาที่เลยจากนั้นมาจึงกราบทูลตามลําดับตั้งแต่ภูเขาลูกที่ตั้งอยู่ว่าภูเขาเนมินทรภูเขาวินตกะ ภูเขาอัสกันนะเรียงไม่ถูกเรียงไม่ตรงกันนะนะในวิสุทธิมัสในมิราชเนี่ยนะเรียงภูเขาไม่ตรงกันแต่ความจริงแล้วก็อันเดียวกันนะนะเพราะว่าไปอยู่ตรงกลางภูเขาสุดทัศนะแล้วก็เลยกล่าบย้อนไปย้อนมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงโดยทํานองตามที่มาตรีเทพสารถีกล่าวจึงตรัสอย่างนั้นส่วนในคัมภีวิสุทธิมัส พระพุทธโกษาจารย์ประสงค์จะกล่าวตามลําดับตั้งแต่ภูเขาที่อยู่ในระหว่างจึงกล่าวคาถาว่ายุคคันธโรเป็นต้นนะก็รองจากภูเขาสินเนรุมาก็ต้องเป็นยุคคันธรนะนะตอนที่พุทธเจ้าเสด็จดาวดึงก็เหยียบที่ภูเขายุคคันธรก้าวหนึ่งอีกก้าวหนึ่งก็เหยียบที่ยอดเขาสินเนรุ้ะก็เสด็จประทับอยู่ที่ชั้นดาวดึง พระบาลีในเนมิราชาดกและวิสุทธิมัคอัตถตถาย่อมลงกันสมกันโดยแท้เพราะเหตุนี้ดังที่กล่าวมานี้ดุดน้ําในแม่น้ํายมุนาเข้ากันได้กับน้ําในแม่น้ําคงคาส่วนคําใดที่เขียนไว้ในเนมิราชาดกอัตถตถาว่าสุทัศโนติออยังมหาราชะเอเตสังสับะ บ, บาหิโรสุทสัศนะปัปปโตนามะ คำว่าสุทัศโนอธิบายว่ามหาภพิษภูเขาที่ตั้งอยู่ภายนอกทั้งหมดแห่งภูเขาเหล่านั้นชื่อว่าภูเขาสุทัศนะคำนั้นพึงเข้าใจว่าท่านเขียนไว้ด้วยความพลั้งเผลอคันจริงแล้วนรองจากภูเขาสิีนรุกจะต้องเป็นยุคกันทร น, นะในระหว่างภูเขาเจ็ดลูกนี้ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากภูเขาสีนรุตามในที่พระพุทธโกส า, าจารย์กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคอย่างนั้น มีมหาสมุทรสีทันดรมหาสมุทรเหล่านั้นทั้งหมดน้ำใสขาวเย็นสนิทพราะฉะนั้นแม้แต่ขนหางนกยูงที่คนโยนลงในมหาสมุทรเหล่านั้นแล้วจะจมลงในพื้นจะจมลงไปถึงพื้นข้างใต้ใช่หไหมกระทั่งขนหางนกยูงเนี่ยนะตกลงไปก็จมเหมือนกันพึงทราบขนาดแห่งภูเขาเหล่านั้นอย่างนี้ บรรดาภูเขาเหล่านั้นขนาดแห่งภูเขาสเซนิรุท่านได้กล่าวไว้แล้วนั่นเที่ยวดังนี้นะก็ขนาดของภูเขาทั้งหลายนีนะ่ก็จะแสดงตามลําดับกันนะซึ่งจะต่ อ, อนในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ให้รู้จักโลกธาตุซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้นะเพราะว่าพระองค์เป็นโลกวิถูนะขอให้เราทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจด้วยศรัทธา ใ้เกิดปีธีปราโมชนะรู้คุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงแล้วก็ อ, อบรมไตรจิกาเพื่อที่จะตัดรู้อริยสัจธรรมตามเสด็จพระสัมมาสมัาามพุทธเจา้าในการไม่เนิ่ช้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ